มีน้ำตาที่อาชาก็เป็นปนับเะ้ยดูแลแผลใจพี่แฟนน้องคำวาไว้แลลวละเศรษใจใครกันผูกพันเป็นราวขึ้นมาจนโน้มให้พี่สัญญาอย่าทิ้งกันไปยามเทา จึงมั่นใจคงจะให้น้องไปทุกสิ่งด้วยใจรักจริงไม่ทิดบหินน้องให้ได้เจ็บร้าววาดฝันลัอยาวา ง, วงรวมทาบรักอิ่ยาแต่แลความรักของเรากลับจบลงน้องมีคนอื่นมา ทำทาทาพับต้ อ, องบอพอแยกดขาไม่เคยระเวงระวังจิงเจ็บจังจังตรงฟางหูใจญาติยิ้งจะนทรนอ้องผู้เต้นจำได้นีมถูกทิงวันนั้นบีบพันใจน้องแต่ไหนวันนี้ พี่แพ้่าเสียใจกว่านมไหลเข่ากล้ำปลืนยมตาดบอกน้องว่าพี่ทำใจแล้วลึบลือดข้างในเจ็บเยียมปากด้านที่แบบทนเอาพด่โนอโทษสิอย่ามีรักร้อยยาวเก่า ส่วนพี่นี้คงอีกยาวเว่าใจเ จ, จ็บแปลแต่ปลารับฟูใคร น้องว่าพี่ทำใจแล้วเลึอเปลือข้าดในเจ็บเปียนตางด้านในแบบทนเอานี้น้องโทษดีอย่ามีรับเราย่าเราส่วนพี่นี้คงผอีกอยาวหัวใจเจ็บราวเจ็ปราวกลุว